ตักงไหมต่างอื่าตางทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติกับการกระทำให้มีเครื่องทุนแรงหลายอย่างของหนักให้เป็นเบาของอยางกให้เป็นง่าย <c oughs> แล้วก็เป็นเพื่อนกันเรียกว่ากันระยานามิตรร่วมจบร่วมทุกข์ร่วมผิดร่วมถูกใครหนอกช่วยกันหามใครอยาบช่วยกันดึงดังนี้เลยว่ากันระยานามิตร่ันระยานามิตรนี้ ไม่ใช่จะอาศัยกันเป็นวันวันวรเจ้าสนเสริญว่ากัลยาณมิตรนี้ถึงรักถึงผลได้เราอุ่นใจคิดเห็นพระอริยบคุคคลพระองค์นั่นพระองค์นี้เมืคนลา นะ้อยู่ที่นั้นแม่พุทธเจ้าอุ่นใจสาลีบทอยู่ตรงนั้นพุทธเจ้าอุ่นใจสาลีบทอยู่ณที่ใดศาสนาพุทธสาสินิกชนบริษัททั้งสี่กมันคงโมกุลานะอยู่ที่ใดบริษัททั้งสี่กมันคงก็อุ่นใจ วางใจนี่เรว่ากัรละยนานมิตรเราสแสดงความเป็นกันละยนานมิตรกันให้มากที่สุดเบ้นจากการทะเละวิวาทเบ้นจากการขัดเครื่องอะไรทั้งสิน้นวางไปด้วยกันไอเดินได้ไปก็รอคนที่ชาสักหน่อย เอากันบ้างแบ่งบันกันบ้างเราจึงมีประโยชน์ต่อ <c oughs> ตัวเองบ้างต่อโลกบ้างต่อธรรมบ้างเรียกว่าอัตตาทิ่ปัจยตนคือเหล่านี้ มีอะไรพอที่จะช่วยกันได้บ้างป่าลบตนเราเห็นคนตกน้ำเรามีป่าลบตนเราว่ายน้ำเป็นไหมมีพลังพอไหมถ้ามีความเพิ่มไปจนลงไปเอากันขึ้นมาอัตราที่ไปโลกาที่ไปจโลก า, ท, ลกาที่ปตายเยอะเพื่อโลก เพื่อความเผาสกร่อมเย็นเพื่อโลกเพื่อมนุษย์ต้ององงเพื่อให้เกิดธรรมมาเทีบแต่ะยะเพื่อความเป็นธรรมนี่เราไม่ใช่เล็กน้อยสิแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าคิดอย่างนี้ถ้าคิดเห็นแต่ส่วนตัวอะไรต่างๆครับแคบเบียดเบียนตนเองเีเป็นคนอื่น ได้เราวางอยู่ที่นี่มีแต่ผู้คงเกิดเดียนไม่ใช่โง่เง่าถ้าคนโง่คงไมมาที่นี่แต่คนนี่มีความคิดอ่านอะไรเป็นไรมาพิโชติโ ด, โดเสือสลละ เป็นนักบวดเป็นพระเป็นชีก็หนีาจากวัดวารามอาวาสของตนมาเนีย่ยจะมาทิงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องมาใครๆก็มีงานเหมือนกันมีลูกมีหลานมากันหมดมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่เหมือนกันดางชีวิตก็จบจากการศึกษาเช่นไมช่ชีน้อยวันนี้ จบจากจุลามาก็มาบวชไม่เห็นลูกสาวบวชก็บวชตามมาสังแม่สังลูกอาจารย์โนดลองจาว่าที่นี่ก็จบจากธรรมศาสตร์มาก็มาบวชไม่รับปัญญาเลยจนเขาเอาปัญญามาส่งที่บ้านหายชีวิตที่อยู่ที่นี่จบจากการศึกษา อาจารย์เสียก็เป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลไหนมาบวชแล้ว <c> ค <ười> ีน้อยก็จบมาไอ้เพียรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมาแล้วอมีลูกไพลก่ลูกไขหลานไขมีเหรนแล้วลูกหลานเหลินเสร็จแล้วจบแล้วยอดเยี่ยมมากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเป็นร่องโพลงใสหมดแล้วเราก็มีฝีมือแล้ว ยังอยู่เรื่องนี้เราส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่โงง่ศึกษาธรรมะมีหลักฐานนะต้องได้หลักฐานถ้าไม่ได้หลักฐานเนี่ยเราจะไปเชื่ออะไรเนี่ยหลักฐานปฏิจจสมุปบาทผู้ได้เห็นธรรมผู้นึงเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าที่นี่คงไม่เหมาะน่าจะไปที่ตรงนู้น ใคู่คนเนียขึ้นมามาดูมาที่ไม่มีใครอยากมาใช่หมคอยเฉยน้อยเดียต้องฉลาดซะหน่อยจัดลายการนักจัดลายการมีหลักฐานนะการศึกษานะถ้านายความที่ดีที่จะช่วยแก่ต่างให้โจดให้จมเลยต้องศึกษาหลักฐานไม่ใช่อารมณ์ ไม่ใช่ความรู้ความรู้ดีขนาดไหนถ้าไม่ได้หลักฐานก็ทําไม่สําเร็จศึกษาธรรมะต้องมีหลักฐานไม่ใช่เลื่อนลอยสุม 4, สีสมห์ ม, มีกายมีใจมีสติกายเป็นหลักฐานหนึ่งใจก็เป็นหลักฐานหนึ่งมีปัญหาไหม กายเนี่ยมีปัญหาไหมจิตเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงไหนเราจะแค่ไหมจะแค่ดังใหญ่เหมือนลวงตาไาอยู่บ้านถ้ามาไปหวานสมัยแสมัยแรกก็ไปเห็นปัญหาเด็กร้อยเป็นไข้ามาเรียตายต่อหน้าโตตาเรา เดนจากวัดป่าสุกโตไปโคขอทองเห็นชาวบ้านอุ้มลูกลองให้มาจากในป่าแล้วลูกของตายแล้วลูกของตายแล้วพอ้เจ้าก็ตัวอ่นอ่นหน่อยหน่อยเลยพาไปไล่พอไปไล่ไข้ขึ้นเด็บเดียวก็ตายเลยลองให้ทั้งหัวทั้งเมียมาเราก็เห็นปัญหา เออไปไประชุมชาวบ้านว่าอยากให้พระเป็นยังไงอยากให้วัดเป็นยังไงเอาชาวบ้านมาประชุมกันเรารู้แต่ว่าเราไม่ใช่แก้เองต้องให้ร่วมกันคิดร่วมกันนั่นนี่หลักฐานใจเราจะแช่ไหมชาวบ้านไม่รู้มีปัญหาอนะไร ไม่ค่อยคิดกันคิดไม่เป็นแล้วก็ชวนให้เขาคิดบราณท่านว่ า, วายังไงเอาวอยางเอาไฟจุดกลดแม่นว่าเ <Yeah. S 1> ้าบัวหม่นเอาหอกอะไรทัง้งโบราณท่านจอนใครเป็นคนบบราณหกเจ็ดสิบปีอยู่เนี่ยมีเหมือนกันได้ยินได้ยินก่อนนี่ไหม พ่อแม่สอนลูกสอนหลานเต่าวอยังเอาไฟจุดก้นเวลาพ่อแม่ไปซ่อนไปหาปลามาได้เต่ามาให้ลูกเล่นเด็กน้อยก็บอกว่ามันไม่เดินเนี่ยมันโถดตัวหวดขาทำไมเอาเอาอห๋อไเหยียกก้นมันพขาหยกก้มันก็เดิน เ, เต่าเดินเด็กน้อยก็หัวเราะ เอาอยางเอาไม่ชุดคนเจ้าอห ม, มุนเอาหอกลายแทง mm. ในเวล า, ววาไม่ใช่เรื่องเต่าเสร็จแล้ ว, วเรื่องของวัฒนาชีวิตสังคมจอนั้นเขาชิดเขาชิดอกแล้วก็สอดเข้าไปอย่างที่เดี๋ยวนี้มีโครคไค้ไข้เจ็บอะไรมีไข้มาเหลือตายกันเยอะแล้วตาก็เห็นเด็กน้อยตายมาจากไร้เมืออวานเนี่ย มันชื่อว่ามีมันชื่อว่ามีปัญหาไหมเพราะว่ามีแล้วจะแก้ปัญหาไหมคิดจะแก้จะแก้อย่างไรเราคิดไปออกรู้จะย่งไรไปขอยาแฟนซีดามาไว้หาหมอหมอมาเรีย่วยมาเรียมาก็ขอยาฉีดฟิวฉีด ดี ๆ, ๆเต็มบ้านสมัยก่อนใช่ไหมในกติขาวโผลไปทั้งหลังแ้วในป่ากนะีดี ๆ, ๆแล้วก็การชิด้ามาไว้จินป้องกันไข้ามาเรียดังคนก็งูไปอยู่กินเล้าเพื่อป่าไข้ามาเรียรไมกินเล้าไมาอยา <laughs> แล้วก็เราจะแค่ไหมแค่อ ย, อย่างไงคิดไม่อ ก็เป็นเจ้อาอาหม้าวัไปพบมาเรียมาเรียก็ห้ามกันล ง, ขงเขาตายกลางทางก็เป็นเวลาใข่้แล้วมาเรียบางอย่างมันรุนแรงก็อุ่นตอนเช้าตอนสายมาก่อนล้านตายไปเลยเคยไปเผาศพลูกเสาของโยมคนหน่องอยู่บ้าน เ, เหลี่ยงเหวสมัยก่อนเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านที่นั่น ตาย่ากเ ง, งินชั่วโมงเดียวลูกสาวสองคนไม่มีใครคอยกันเท่าไรเราไปนอนอยู่เขาไปพาเขาหามศกไปเผากลับมาแล้วเอาคนไว้เผาอีก่ก็สรยล่จตอนนี้ก่อนอเนาะใครกันนะจะแค่ปัญหาไงคิดออกตอนนั้นเอาเด็กมาไว้วัดดีไหมเ้าคิดไม่ได้เลยฮะ โอ้ยจะเอาม า, อาอไหว้วัดจังไหนเอาเด็กมาให้หลวงพว่อบังก็เป็นบาปทอนแล้วพวาบาปมาชี้หาเยี่ยวเสีวัดเสียวาเนี่ยเอาเอาเด็กไปตายในปา่ามันไม่บาปหรือเอาเด็กมาไว้ในวัดเนี่ยมันจะดีกว่าเอาเด็กไปในปา่าถ้าเป็นเป็นบาปเนี่ยอย่าคนเข้ามาวัดดิไว้อยู่ในป่าหมดรยเลอ <c oughs> เถียงเกิดอนะไกันมาเอามาเนี่ยหลวงตาจะเลี้ยงจะดูให้ไอโยมเอาเข้าวมาส่งตอนเช้าเผื่อไว้ตอนเย็นตอนเพลินด้วยตอนเที่ยงด้วยตอนเย็นมารับเอาต่อไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอามาสาลาก็ไม่มีป๋ามาอยู่นอนนะแล้วก็ดูแลลูกหลานเขาเด็กก็ปลอดภัยกันหว่าเนี่ยรับมวลเนี่เป็นเด็กตัวน้อยนั่งอยู่นั้น <laughs> เรื่องสาวล่ะของทายกใหญ่เด็กตัวน้อยแต่ก่มันนุ่งแต่กางเกงนะไม่ใช่นุ่งผ้าทุงหรอกเดีวนี้มันก็เลลูกสองคนแล้วแล้วก็อเอาเลี้ยงมันมาหลายคนรุ่นแรกเนี่ยมันเอาลูกมันเข้าโงศูนย์เด็กแล้วจนเกิดสูนเด็กเท่าทุกคนนนะ <laughs> ก็ดีนะปัญหาแล้วอยา่างมันมีหลักฐานเนี่ยเราจะทำอะไรชีวิตเรายิ่งมีหลักฐานมาเห็นกาเห็นจิตใจมันปัญหาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเราะอะไรวันยังเกิดเป็นพวกเป็นชาติได้หลักฐานเห็นรูปเห็นนามขึ้นมา โอ้ได้หลอกได้เถื่อนฟ้องเลยทีนี้ฟ้องลูกพ้อ ง, งน้ำมันอะไรปัญหาเกิดที่ตรงไหนการที่จะหมดปัญหามันหมดไปได้ยังไงเหมือนผู้เจ้าโดยทฤษฎีตัดรู้เห็นทุกเห็นทุกเหตุที่ทําให้เกิดทุกมาอยู่ตรงไหนจะทํำยังไง ก็เฉดเลย p h ó n เลยทเดียวเอาให้สิ้นซากไปเลยเหลือศูนย์ความทุกข์เหลือศูนย์ความโกรธความหลงเหลือศูนย์เลยไม่มีค่าทีเดียวเลยเอ้ามันก็ไปมันก็ไปมันก็หลดปล่อยหลุดปอยมีสติมันก็ปบความหลง มีสติมันก็ละความชั่วมีสติมันก็ทำความดีมีสติมันก็เกิดอิสีนขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาอ้าวมันมีอยู่นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องมาเปิดตำลาอานมันมีอยู่ที่เราทุกคนมีธรรมชาติมีอาการพรามีความหลงจึงเป็นอวิชา เมื่อมีวิชามีสังขารมีนามรูปเกิดไปเรื่อยๆ เ, เพราะมีความรู้ตัวมันก็ดับมาดับมาหมาไม่ต้องไปแก้มันโกรธอยู่ที่ใจไปแฉที่ใจเหตุเกิดอยู่ที่ใดแฉที่นั้นมันหลงอยู่ณที่ใดแกฉที่นั้นสนุกสนุสนุ ก, น ก, นกเห็นของจร่งเห็นของเ ท, ท็จที่มีอยู่ในกายในใจผลที่สุดมันก็สารภาพมันคืออะไร มันก็คือรูปคือนามรูปนามมันมีอาการของธรรมชาติของรูปนามก็มีอาการของนามแต่รูปมันมีสองต่อเห็นรูปเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายกายมี้สอง สองต่อกายที่เป็นธรรมชาติกายที่เป็นอาการมันเป็นธรรมชาติเป็นพ่วงแพเป็นมหาผู้ต่รูปเป็นรูปอ๋อยให้ทําความดีให้ละความชั่วแต่กายนี้มันเกิดอันหนึ่งขึ้นมาหรือว่านามบรรลมันเป็นกายที่ทําความชั่วใจนามก็ทํำความชั่ ว, ว, วได้สําเร็จเราจึงเห็นธรรมชาติที่นาการโอ์มันอยู่ตรงนี้ เห็นรูปเห็นน้มเป็น น, นาการของรูปเป็นอาการของน้มเห็นธรรมชาติของรูปเห็นอรรมชาติของน้ำาวามความเป็นจริงหมดค่าเลยแต่ก่อนไม่มีรสชาติความสุขก็มีรสชาติความทุกข์ก็มีรสชาติความพอใจความไม่พอใจมีรสชาติรับใช้รสชาติอันนี้เสพติ x, ดรสชาติไปความทุกข์ก็ติดเหมือนกันนะ ความสุขก็ติดเหมือนกันนะโอ้ใจในความสุขโอ้ใจในความทุกข์แล้วมันก็จริงไหมมันเป็นสุขจริงจริงหรือมันเป็นทุกข์จริงจริงหรือแล้วก็ขั้วน้ําเหลวกันถูกความสุขมันหลอกถูกความทุกข์มันหลอกหลามากแล้วงหมนเรามาถึงอายุปูนี้มีอายุกันเนี่โอ้ ก็โจมทั้งหลายหลงตาอทั้งหลายระหนุม่มแน่ชี้น้อยทั้งหลายเคยเป็นเด็กเคยเป็นหนุม่มเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนปานกลางเป็นคนผูน้นนนนมีอายุเคยมีอะไรต่างๆนะมาถึงมาเห็นมาตรงนี้มันอะไรไม่จริงจังนะมาสุกกิงอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ใดมันก็มันใช่ตัวใช่ตน เออตามความจริงของมันมันก็สูบลงไงได้หลักฐานมาเป็นเพียงอาการเป็นธรรมชาติของรูปของนามที่มันเกิดสองชั้นเป็นกายในกายเป็นเวทนาในเวทนาเป็นจิตในจิตมันเป็นนามารูปมันเกิดจากการปุงแตงเกิดจากความไม่รู้มันมีสติถ้ามีสติมันก็ไม่ปุงไม่แตง มันก็จบมันก็จบมันก็สนุกสนุกความไม่มีไม่เป็นอะไร ม, มันมันมีพลักกับความมีความเป็นอะไรมันก็รู้สึกเบามันละกายละหูตาเบากายจิตะละหูตาเบาจิตอย่างเนี้ยมันมีหลักฐานแบบเนี้ยไม่ใช่ไปได้อยู่ที่ไหน ที่บัติตามจะเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่ตรงโน้นสวนชั้นฟ้าต้องเข้าจานสมาบัติเข้าไปไม่กินข้าไม่กินน้ําเวลาไปถึงพระพุทธเจ้าไปถึงสวค์นิพพานอาศัยให้คนเดินนำมาบอกไปเข้าสมาบัติเข้าสมาธินั่งไม่กินเข้าวกินน้ำํำบอเข้าไปส่ง อะไรก็จิจนอะไรนิดหน่อยให้คนทำให้เราอยากได้ผนกับท่านมันไม่ใช่อย่างนั้นให้เป็นของทุกคนเราใช้คนอื่นมาได้เราหลงเราก็หลงเองเราลูกลก็ลูกเองอเป็นปัจจัตตังของใครของมันความหลงต่างวาละกันความลูกก็ต่างวาละกัน มันคนละอย่างแต่ว่าความหลงอยู่กับใครก็เหมือนความหลงอยู่กับเราอันเดียวกันความหลงความรู้อยู่กับผู้ใดกับความรู้อยู่กับตัวเราก็อันเดียวกันความรู้จึกตัวที่อยู่กับพระเจ้าสองพันหหอปีมาเนี่ยมันอันเดียวกันกับความรู้จึกตัวอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ ของจริงต้งเป็นอย่างเดียวกันความโกรธอยู่กับใครความโกรธอยู่กับเราก็อันเดียวกันความทุกข์ความสุขความรักความชังอยู่กับใครที่ใดอันเดียวกันนั่งหมดไม่มีชาติไม่มีภาษามมีลัทธิไม่มีเพศไม่มีวัยนก็เป็นสิทธิของใครที่ต้องมาลุลวงนี้เหมือนกันหมดอวลลัล หลงเราก็มีสติไม่หลงได้เวลาเราโกรธเราไม่สติไม่โกรธได้เวลาเราทุกข์มีสติไม่ทุกข์ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้จะแก้หรือจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทำไมเปลี่ยนก็รับกรรมรับเวรไปเป็นภ <c oughs> พเป็นชาติไปเกิเจ็บเจบตายไปแน่นอนที่สุดคือมันไม่เที่ยง แน่นอนที่จะเคือไม่ใช่ตัวใช่ตนที่มันเกิดอาการขึ้นมานั้นนอกจากอาการแล้วก็มีโูกภัยไข้เจ็บชนหน่งเกียนตายที่ตายไปก็มีน่าวน้ลงตาก็ไปดูพระมรณะภาพที่ตายไปไอ้พระหน่โห น, หน่บวชเมื่อวันที่หลวงพ่อบวชเกิดเมื่อเกิดเมื่อวันที่หลวงพ่อบวชพอดี ยวปีมาเองเป็นพระนุ่ ม, มเป็นอาจารย์ศ น, นักเรียนเต็มวัดอยู่แต่เนี่ยวั น, นี้มีนักเรีย น, น่สมรอหสิบคนเมื่อวันเต็มวัดไปหมดลทั้งพระอา่านภาพทั้งอบรมนักเรียนก็เลยเนี่ยมันไม่เลีต่อความเปี่ยวมตอใน คนดบลงก ni, ались, TI, ็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายในคนแก่ก็มีความแก่ความเจ็บความตายในใครก็มีความแก่ความเจ็บความตายในพระในโยมก็มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหมดอันนี้คือของจริงที่มันตัดสินหรือว่าตัดสินมาแล้วตั้งแต่วันเกิด ถ้ามีการเกิดก็มีการตายมีเจ็เจ็บตายมาพร้อมกันดันเลยแต่เป็นราชาฮะมอดีที่ไหนก็เดินเข้าไปสู่ความตายมากันหมดนี่คือของของที่มันเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเรามาเห็นมาลุลเรื่องนี้มันก็ไม่ไมีใครเกิดใครเจ็ใครเจ็ บ, ใ ค, จบใครตายเห็นรูปเห็นนามตามคำเป็นจริง โดยไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยสนุกดีว่างจากความมีความเป็นเสแล้วเต็มไปดูความไม่มีไม่เป็นที่ว่าว่างก็ได้ที่ว่าเต็มก็ได้เต็มไปดูความไม่มีไม่เป็ น, ว, ว, ว, ป ว, มมปนว่างไปเดียวการมีการเป็นแล้วก็เป็นอิสระเพราะอะไรเพราะมีสติสัมชัญญะ เรียแรกก็แยกออกไปก่อนหัดแยกแยกตั้งแต่เห็นกับเป็นเนี่ยเห็นกายกายมาแสดงอะไรแสดงหลักฐานมันสุขมันทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์กำลังจะแยกไปแล้วแยกเส้นทางเป็นคนเราพบรสชาติไปแล้วถ้าเป็นก็เป็นพบเป็นชาติไปจนจบ ถ้าเห็นก็ก็ไปคนละทางไม่เป็นแล้วเห็นความสุขเห็นไม่ใช่เป็นผู้สุขพระเจ้าสอนอย่างนี้เรียกว่าเห็นเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมอาจะเห็นสีเห็นเสียงเห็นแสงเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ไม่ใช่ที่เป็นลูก เห็นเทวดาที่เป็นตัวแดงๆเห็นพระอินเป็นตัวเขียวๆมันไม่ใช่เห็นเปตเป็นตัวผอมๆปอกท่งเท่าภูเขาปอกเท่าโลเข็มเห็นสุรกายเป็นจัดอย่ังปฏิจจทุกบาทตามตามคมขาวว่าคำดำว่าเป็นไปในพระภูมิชั้นต่ำ ถ้าทาขาวก็เป็นภพภูมิชั่นสงเป็นมนุษย์รู้จักธรบนใณาฐานรักษาศินปฏิวัติธรรมนี่เรามาเป็นอยู่มนุษย์แล้วนั่งอยู่นี้มีพระสงฆ์มาสอนมาพูดมาสอนอยู่นี้แล้วก็ได้ยินกันทุกคนเลยเห็นกันทุกคนภาษาเดียวกันต่างออกว่าคนใช่คนละภาษา ความรู้สึกตัวหรือว่าความรู้สึกตัวภาษากลางกลางต้าภาษาอีสานบ้านเราว่าหุ่มเยาวบ่หุมเยาวบ่หุมเยา ว, ยว์เลยมันก็นเราปกลูกให้มันตื่นขึ้นมามึงคนเมียเราไปเด้อหุมเยา ว, ว, ว์เราหุ่มเยาวเออวันหุม่มเยาวมันก็ช่วยตัวบรรดามอนไปเม่บ้าน รีบไปปลุกลูกขึ้นมาลูกลูกขึ้นไปไม้บ้านไปไม่บ้านนะก็ะตื่นขึ้นมาเราช่วยตัวมันได้แต่พ่อแม่ไมปปลุกให้ถึงตายกันหมดเลยต า, ายกันเลยไปไม่บ้านก็ไม่รู้อะอันนี้ว่าตื่นแบบภาษาโลกโลกแต่คนไม่รู้จกตื่นไมมแต่ตื่นอยู่ก็มันก็หลับได้เช่นคนเมาคนโกรธนะ หลงอยงในความโกก็มืดหลงในความทุกข์ก็มืดเขาเพยังไม่ตื่นห้อเมียเราไปเมียแล้วเราก็มาปลุกตัวอย่างให้รู้สักตัวรู้สักตัวหรือยังรู้สักตัวแล้วเพราะมันทุกข์เห็นมันทุกข์เพราะมันหลงเห็นมันหลงตัวตื่นแล้วมาดูโลกย้ายความหลงย้ายความรู้ผ่านโอกกาสไปให้สัมผัสตัว ภาษาาีรอว่าสติภาษาอังกฤษหรือว่าแวอววตาเคยไปสอนฝั่งภาษจีนอะไรก็ไม่รู้ถามไม่คีน้อยเขาพูดภาษาจีนได้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรภาษาเขียนรียว่าอะไรภาษา อะไรก็ไม่เราเรามาลู้แต่ภาษาไทยอ่อนๆม่ลู้ทั้งหมดนี่ก็รู้สึกไงถ้าเรียกว่าภาษากลา ง, งหว่าเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนไหวภาษากลา ง, งภาษาเล่าหรือว่าติงนิ่งหลวงพอ่องพ่อเทียนสอนได้เลติงนิ่ง ติงนิงติงนิงเติงนิ่งภาษาลาวภาษาบะม์ลาวเอ้ามาเปลี่ยนเอกตอนไหวนิ่งไหวนิ่งเดี๋ยวนี้ตัดออกตีงนิงไหวนิงไม่ไหมีแต่รู้สึกรู้สึกไปลแต่ก่อนหลวงพอเทียนก็สอนไหวนิ่งไหวนิ่งตงนิ่ง เมืองลาวเอามาจากเา ม, ากมืองลาวมาโชว์มงไทยก่อนยุบหนอพองหนองปฏิปทานแบบนี้ต่อไปก็อปอะยุทธงเมงลาวไปเจริญอยู่วัืองลาวแล้วกลับมาเมืองไทยยุบหนอพองหนองมาทีหลังาภาษาอันนั้นหรือว่าภาษาที่ใช่กัน แบบนี้เราไม่ใช้ภาษามาพูดกันไหวนิ่งติงนิ่งรู้สึกสติไม่ต้องโกดมีแต่รู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมเท่านี้มันหลงรู้สึกตัวไหมหรือเป็นผู้หลงเห็นมันหลงเห็นมันหลงหรือเป็นผู้หลงเริ่มเริ่มเห็นเห็นมันทุกข์หรือเป็นผู้ทุกข์เห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธเห็นมันร้อนหรือเป็นผู้ร้อนเห็นมันหนาวหรือเป็นผู้หลงแยกออกแยกออกกำลังดูกำลังถลุงกาลังได้หลักฐานถ้าเห็นเรา เลีย ว, ว่าศึกษาถ้ายังเป็นอยู่ยังยังไม่ได้ศึกษาแล้วยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้สิกขาสิกขาได้ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกชีวิตต่พิสูุน์นักบวชทั้งหลายสึกษาได้ทำเป็นเรื่องเ ก, กี่ยวกชีวิตเลยเราเลี่ยงชีวิตด้วยสิ่งอันนี้เนี่ยมันรู้สตัวมีชีวิตอันนี้พรหมจรรันไม่ใช่เกิดจากทองมาก พรมจอาจารย์เกิดจากการมีสติศึกษาเห็นเนี่ยเรามีชีวิตการเห็นไม่เป็นได้ชีวิตแห่งเป็นผู้ดูขึ้นมาอดูนี่ไม่เป็นเนี่ยมันบริสุทธิ์เป็นพรมอาจันขึ้นมาถ้าเป็นเราสกปกเมื่อนเปืเลยเถอะถ้าเห็นเราสอดขึ้นมาเป็นสุขสกปกเป็นทุกข์สกปกถ้าเห็นมันสุกเห็นมันทุกข์ เนี่ยมรสมรจันมันอยู่ตรงไห น, นเอาใจคนผมผมพ่อสีต่างๆมันบริสุทธ์ทุกคนเป็นรมรสมรจันได้นุง่งผ้าสีใดก็เป็นผ้าได้นี่ยเราก็มีปัญญาแบบนี้รู้ได้ทุกคนไม่ใช่ปิดบังอะไรเลยปัจจิตตังรู้ทันทีรู้ได้ทันทีมีสิทธิเท่าเทียมกันมีปัญญาเท่าเทียมกันปัญญาเนี่ย ไม่ใช่สมองไม่ใช่ไอีเดียไม่ใช่ไอคิวมันเป็นปัญญาแห่งหนโ่โพธะโพธะโพธิรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยต้งจัดเกนบ้างอย่าไปให้บัญหางมันก็อยู่กับเรานี่แหละความหลงก็อยู่กับเราความรู้ อ, อยู่กับเราเราไมนหลงอไล่ความรู้ขึ้นมา ถ้เวลามันหลงไม่ันมีความรู้ความหลงก็ปล่อยอีกละใหญ่โตขึ้นมาน่ะถ้าเวลามันหลงรู้สึกตัวเน่ะก็มันก็ห่อเหี่ยวลงห่อเหี่ยวลง <c oughs> เหมือนไม่ให้อาหารมันตัดอาหารมันไม่ให้มันมีอาหารเพรหลงใจรู้สึกตัวนคะควบกำเนิดกรมมันเมิดของความหลงควบกำเนิดของคน ค น, นต้องคงคนอด <c oughs> เรียกว่าพระพุทธเ้าข้าคนนะฮะฆาคนเนี่ยพะพุทธเจ้าข้าคนข้าความเป็นคนความเป็นคนเนี่ยมันปนเปยทุกข์ก็เอาทุกข์ก็เอาโกโรธโลภหลงเอาหมดเรียกว่าคนปนเปกัน รูเจ้าข่าตัวเนี่ยภูมิแห่งควาเป็นคนเนียมันไปสวรรค์นี้ผ่านไม่ได้มันจะไปเป็นเป็ดเป็นสัตว์กายเป็นสัตว์ลกเป็นเนริชานคุ้มกับเกิดของความเป็นคนเคยรู้จักตัวให้ให้ให้ชีวิตใหม่ขึ้นมาให้มีความรู้จักตัวนกับเกิดความเป็นคนก็น้อยลงก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาใจสูงขึ้นมาเห็นเหรอเห็นว่าใจสูงการเห็นเนี่ย มันเป็นหรือว่าใจต่ําถ้าสูงขึ้นมาเห็นมันจกเข็นมันทุกข์เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระได้ได้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนเป็นพระไม่ได้เล้วเราจึงมาดูเนี่ยพระภูมิที่อยู่กับเราเนี่ยหลวงพ่อเทียนมักถมเราเป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้เป็นพระอินทร์พระพรหมได้ไหมเป็นได้ เป็นพระได้ไหมเป็นได้ต้องตอบอย่างนี้เ น, นี่มันอยู่กับความรู้สึกของเราที่มันไม่เปิดเพื่อนเป็นพรมจันทร์เป็นพระประเสริฐเป็นมนุษย์สูงสุดใจมันสงูงอาจารย์พุทธทาสว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสงูงเหมือนถึงโยงมีดีที่แววฝน ตอบไปด้วว่าอะไระเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสงเราตาจะมาอาจจะผิดพลาดนะขอไปนะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ต น, นได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์ซะ เขาพูดถูกคิดถูกทำถูกทุกเวลาไปเอินปีดาเคลือนวันสุสันต์จินโตไปบ้างอนะ่ะไปอินปีดาที่ว่าจำม่ได้จำมาไหมเป <laughs> ็มนุษย์เป็นได้เพระใจมันสูงเห็นมันทุกใจสูงเป็นมนุษแล้วเห็นมันถู ก, ใ จ, นนถกใจสูงขึ้นมาโบราณท่านว่า ไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างขี่คนเมืองล่างคือใจมัอนต่ำช่างคืออะไความโกรธก็ขี่คอเอาความหลงก็ขี่คอเอาความทุกข์ก็ขี่คอเอาขี้ตัณหาละข้ขี่คอเอายอรับใช้มันแล้วช่างขี่ช่างขี่คนไปมืองบนนั้นคนขี่ช่างขี่คอมันเลยจง ขี้คอชาถือคอกขอั ข, ข, ข, ขี้ขามสงสออ่รนยานกว่างใจสว่างสูในผพานไปเลยขีชาเรี <laughs> ยกว่าขีคอมันช่างนะถ้าใจดำมันก็ขีข้คอหรองนั่นก็โบราณท่านสอนว่าก่อนแะ้วบจำไม่ได้นะ่า <laughs> จะโน่นนะอ่า กาจินซ่างตัวกาจินสซ่างอย่างหนึ่งอุทาหอนกาหลงหลอนตัวเองแฉบล้อยเหลือหล่นกาหลงสซ่างกาหลงหลอนกากาจินซ่างอย่างหนึ่งอุท่าหอนกาหลงหลอนตัวเองไว้แฉบล้อยแฉบล้อยเหลือหล่นกาหลงซ่างกาจินสซ่าง ตั ว, ลวตหลวงโมต่งห่วงก็กินสร้างตัวหลวงโมต่งห่วงช่วงจีบกินเอียมน่อยที่ตายจ่อยกลางทะเลกากินสร้างไ ห, ห น, กกนไถึงอะไรเธ <c oughs> อมีทรัพย์สมบัติมากมายสนุกอยู่สนุกกินลูกก็มีหลานก็มีเมียก็มีผัวก็มีทรัพย์ก็มีพี่น้องก็มีทรัพย์สินดึงกัน กินกี่าติกี่แคิกันหมดทรัพย์สมบัติของเรานี้ยกินการจินจังตัวหลวงมตงงงุงองนกจิก๊จแสีวเหลวทักทวงการเหยื่อวาฟังนกจิ๊บคือพวกเราชวนมาบวชมาปฏิบัติธรรมอย่าไปกินยหรร่หันสร้างมันมันเบิดตายการจิน้าง นกจิกเสวเหลวทักทวงกาเงยวอยปังโอ้ยแล้ว เ, เหมือนกับพ่อของวยศิตรเออผ้าของพ่อของรัฐบาลรัฐบาลเป็นลูกชายคนเดียวหนีไปบวชบินทวารหน้าบ้านตัวเองไม่มีใครรู้มีแต่คนใช่แต่มบาเอาขนมไปทิ้ง รัฐบาลก็เปิดฟ้าบา้าเราน้องหญิงจะเอาขนมไปไหนจะเอาขนมไปทิ้งขนมมันบูดแล้วเอามาเทเสบาทดรองพี่นี้ยื่นบาทไป ห, หญิงสาวคนนั้นก็ก็ไม่รู้จะไงว่าจะไปทิ้งอยู่มันบูดแล้วไ ม, ไม่เอามาเทเสบัดลองพี่แน่รับบาท <laughs> หญิงสาวคนนั้นก็เห็นบาทเห็นมือรัฐบาลจําได้ว่าโอ้รัฐบาล ก็เข้าไปในบ้านก็บอกว่าหลวงพี่รัฐบาลมาเบียนบาทหนูขงนงที่ไปทิ้งเทศบาทให้เสียใจเลยเพ่อเจตีเรียกลูกชายกันมาไปรับลูกชายมาอยู่เมืองเดลีทุกวันเนี่ยน้องตาเคยไปดูเมืองหลวงของประเทศเดียทุกวันเนี่ยมาถึงบ้านแล้วก็เอาทรัพย์สบัมากองไว้ สามกองกองของพ่อของแม่กองของรัฐบาลใหญ่กว่าของพ่อแม่สองเท่า อ, อันนี้กองของพ่อนี่กองของแม่นี่กองของลูกเราไม่ไปยินขนมบดๆเราจินไปกี่พบพิชาติก็ไม่หมดรัฐบาลมองอะไรที่เราสวด สวดดูซิเราสวดตามวันโลกนี้บกค่องอยู่เป็นนิสเป็นธาตุของความอยากไม่รู้จักอิม่มโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นของของตนย่อมละทิ้งในะจิงนักพวงไปใช่ไหมไปตายเราไปไหนเขาส่งแค่เชิงตะกอน เอาเงินใส่บาทสิ บ, บาทห้าบาทมันก็ยังไปเขี่ยเอาขึ้นมา <laughs> บางคนเอ้เงินใส่บาทให้ใส่ปากให้พ่อให้แม่เอาเงินใส่มือเข้ามาจับจะ่ไม่เอาอะไรเลยพอเกิดบามันเอาทั้งเอาทั้งอะไรกำมือใช่ไหมเลวลาเด็กน้อยเกิดอ่ะกำมือเลยแมนบ อ, <Yeah. S 1> อกระมือแหมงแขนมือออ <Yeah. S 1> กมันยังกำอยู่ <Yeah. S 1> พอตายไปแล้วเแบบมือแล้วไม่เอาอะไรแล้วฉันไม่เมรัยต้องเอามือเอาผ้ามัดมือไว้เอาเงินใส่นีดอกไม้ให้คู่หนังเทียนทั้ ง, ทงคู่หนังนนเยโอ้ยนอนจงสอนเอาเงินสบากปากให้เอาไปเผาแล้วมาเกลี่ยเอากู้งเงินใสบาทไอ้เมรัยชิบะเกลี่ยไปเ่ยมจนไหลขึ้นบิดชิบะ ได้อะไรไม่มีใครเป็นของของตนยอ่อมไรทิ้งในทิงทั้งผองไปเหมือนกากินซ่างมันหมดเป็นนันเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของอย่ามาอ้างกูมีอันนั้นกูมี น, นี่ไม่ใช่แล้วเจอจินไปไปมันก็ส่วงกิบส่วงสวดกินเอิบน่อยก่าหลงสซ่างตัวหลวงโมตองห่วงส่วงกิบ ส่วงสวบกิน่นนมอีบมหน่อยชิตายจ้อยกลางทะเลแต่มันก็ไปเรื่อยนะช่างใช่ไหมมันไหลไปตามน้ำเห็นไหมแม่น้ำคงคานะบางทีกาแลงต้องจับศพจับซากศพที่ลอยตามแม่คงคาจิ้นไปในน้ำอันนี้ก็เหมือนกันนะนะนั่ก็ไหลไปไหลไปเลไก็ไปถึงกลางทะเล ซากช้างมันก็หมดเป็นมันก็โจมลงน้ำนก็อาจจะบินขึ้นฟังไม่รู้ฟังอยู่ทางไหนไปไม่ได้เลยบินวนไปวนมาไม่เห็นฟังเลยตกตายกลางทัดเด็ด <laughs> ชีวิตอนเราก็เหมือนกันอย่าโอซับสมบัติบ้างเนี่ยชีวิตเราายเถิดพ่ออย่าลั่งรอพายรีบถอรีบาย อย่าวางไม่พายตะวันจะสายตละจะวายสายบัวจะเน่าได้ยินไหมทางตาบอกนะ <c oughs> ปู่สอนหลานปู่สอนหลานเรียกพ่อเรียกลูกก็เรียกว่าพ่อเรียกหลานก็เรียกว่าพ่อเรียกเด่นก็เรียกว่าพ่ อ, อลูกสาวก็เรียกว่าพ่อเขาโบราณเขามาเรียกอี น, นั่นอีนี่นะ พ, นนพ่อนั่นพ่อนีแนน่แม่นั่นแม่เนี่ย <c oughs> ถ้าท่านหยุดประมาทนี่ยมันก็ไหลไปแล้วเราอะไรแล้วที่เป็นสาระเจ่นสารเราปากเอาชี้ไป ห, ห้อยไปเขียนไว้กับจิงได้ไปเขียนไว้กับลูกกับหลานไปแขนวนกับทรัพย์สมบัติไปแขวนไว้กับความรักความชังความรักเอาไปแขวนไว้กับคนอื่นจนคนอื่นทําให้ใจดอก โอ้ใจดอ้เอาใจไปห้อยกับคนอื่นไว้ไม่เป็นตัวของตัวมันไม่จริงจังอะไรแม้แต่ในเรานี้มันก็ไม่จริงอนนี้จังทุกข์องอนัตตาไม่เป็นอย่างนี้เห็นน ม, มันเห็นซะเห็นความมาเที่ยงของทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นโคมโผมเที่ยงของอะไรต่างๆของโกรธโลงไม่ใช่ตัวใช่ตน ไอ้สภาพกข้มเที่ยงสามันลักษณะคุมโรคอยู่เวลาเนี้ะเราเข้ามาเที่ยงทั้งหมดอ่า้เห็นทำอย่างนี้เห็นกายเห็นายเห็นใจเห็นรูปเห็นเวตาเห็นรูปเห็นน้ำตามความเป็นจริงนะ่ยได้ยินไหมเนาวสมควรเจอเวลาวันนี้พอาภัพพ่องกัน